อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของสถานีเราในเช้าวันอาทิตย์ที่29เมษายนซึ่งเต็มวันขึ้น9ก่าามเบียนหปีมะโรงด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งทุกๆเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการรับฟังธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายการของเรานะคะและในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มุ่งโดยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิโตภาโซหรือท่านพระคุณสิทธิ์ปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะเช้า ว, วันเสาร์นั้นเนี่ยดิฉันก็ได้นําท่านผู้ฟังทางบ้านไปรับฟังท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเราท่านได้มาสากาักกาหรือพูดคุยเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่พระองค์ทรงสังส่งสอนไว้นั้นเนี่ยคืออะไรแน่ๆ นะคะซึ่งก็เป็นการเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบในภาพกว้างและส่วนในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำสการพระจันทร์ไพลบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าขาเจาิ้านสาธุเจ้าค่ะ จากการสนทนากันเมื่อ ว, วานี้นะเจ้าคะ่ะโยมอยากจะขอหยิบยกประเด็นของคำว่าตันหามาขยายความสักนิดนึงเพราะว่าเท่าที่โยมฟังนะเจ้าคะ่ะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านอาจจ ะ, ะเข้าใจคำนี้ตามทางโลกของเราอะเจ้าคะ่ะเวลาเราพูดว่าคนมีตันหานี่มันจะมองไปในเรื่องของชู้สาวซะส่วนใหญ่ก็เลยอยาก ขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของพู้ทองค์ที่แท้จริงที่ไม่มีการบิดเบือนหรือว่าได้ถูกนํามาบิดเบือนเนี่ยก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องนะเจ้าคะ่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดถึงอธิบายถึงคําว่าตัณหาในความหมายของพู้ทีองค์สักนิดนึงเถอดเจ้าค่ะว่ า, ววามหมายถึงอะไรกันแน่นิมนต์เจ้คาค่ะคือคือตัณหาเนี่ยแปลว่าความอยากนะคือภาษาไทยเนี่ยเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวด้วย แ ต, แต่ว่าจริงๆตัณหาที่พระุทธเจ้าใช้เนี่ยมันกินความมากกว่านั้นเนี่ยอย่างสมมติตัญหานี่คือความอยากสมมติเราตื่นเช้ามาเราเเห็นคนหนึ่งเขามีรถยนต์เราก็อยากมีรถบ้างนั่นนั่ตัณหาเกิดละเจ้าเราตื่นช้ามาโอ้ยอากาศมันร้อนโอ้โเราอยากมีแอร์นั่นๆตัณหาเกิดละอย่างเงี้นะนี่คือตัณหาละคือความอยากมีแบ่งเป็นสามอย่างความอยากนี่พระพเจ้าเคยให้นิยามไว้ก็คือว่าความทยานอยาก นะอันเป็นไปด้วยกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินน้ำนะ hmm. มักเพลินอย่างยิ่งนาอารมณ์นั้นๆนะสมมติเราเจอสิ่งนี้รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทำความเร็วได้สองร้หสิกิโลมตรตชัวโมงมันอยากได้แล้วก็เพลิน <Okay. S 1> นึกถึงว่าตัวเองฉันจะไปขับมาแล้วโอ้เป็นลองมาแล้วนั่นตันหาครอบหัวเขาละเพราะเพลินมาแล้วเจ้าค่ะถูกปัญหาเขี้ยกินละนะมันก็จะแบ่งเป็นสามอย่างนะคือตันหาทางการ นัาการในที่นี้คนก็จะเข้าไปอีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวอีกแต่ไม่ใช่นัากรารนี่กินความกว้างมากกว่า น, นั้นนะคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5้าอย่างความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายมันมี6อย่างใช่ไหมแต่ใจนี่เราแยากเอาไว้มีแค่เอาแค่5อย่างก่อนเกี่ยวกับกรารนะอย่างที่6เนี่ยคือใจในแบ่งเป็นสองคือความอยากมีและความอยากอยากเป็นอยากมีอยากเป็นนี่อันหนึ่งแล้วก็ความอยากไม่มีไม่เป็นอันนี้เกี่ยวกับใจ <icos> แล้ ว, ลวเราแบ่ง5้าอย่างนี้ออกมาเป็นกราร เน่ยเรียว่าการมตัญหาเช่นเราอยากวันนี้แม่ทํำข้าวขาหมูให้กินไม่กินจะกินข้าวหมูแดงนะคุณมีความอยากในการการมตัญหาในข้าวหมูแดงเป็นต้นโอ้ยแม่เราฉันอ้วนแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวน่ยคุณก็มีความอยากสองอย่างเลยฉันอ้วนแล้วก็คือฉันอยากที่จะไม่อ้วนใช่ไหมมีวิภาวะตัญหาด้วยแล้วก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวด้วยก็มีกามาตัญหาในก๋วยเตี๋ยวอีก ืมันเกิดอยู่ทุกตลอดเวลาเลยคุณตันใจเจ้าค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากพระนั่งสมาธิอยู่ในป่าโอ้อยากเป็นบระรันเว้ยนะเจ้าค่ะเพราะภาวะตัณหาล้วความอยากเป็นอยากเป็นพระอรันอย่างนี่ยเคยไหม น, นั่งสมาธิอยู่นะอืมเพราะฉะนั้ น, ม, นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะใครที่ยังไม่เป็นพระอรันเนี่ยคุณก็ยังมีตัณหาแน่นอนเจ้า ค, ค่ะทีนี้ไอความอยากตรงนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องเอาออกนะไม่ใช่เอาไว้นะ สมมติเราอยากเป็นผ้าอารันอย่างเงี้ยกูอยากกินข้าวหมูขาหมูอยากกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย ต, ตันหาพวกนี้ต้องออกไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้วถ้าคุณยังอยากจะมีไว้นะเพราะว่าตันหาในเป็นเหตุของความทุกข์นะแต่แต่ไอ้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังเข้าใจกัผิดอยี้ยมัคือมันมีทุกสองประเด็นนี้คุณตื่นใจ อ, อ, อย่างความทุกข์ที่เราบอกว่าโอ๊เจ็บปวด เ, เมื่อยพวกนี้เป็นทุกขวเวทนาเรียกไหมทุกขวเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข อันนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์เนี่ยกินความกว้างกว่าทุกขเวทนาในสมมุติเราอย่างพูดเรื่องชู้สาวกับเรื่องการอย่างเงี้ยการเนี่ยกินความกว้างมากกว่าคําว่าชู้สาวนะพูดเรื่องตันหาเรื่องชู้สาวเนี่ยตันหาได้กินความกว้างมากกว่าเรื่องชู้สาวเช่นเดียวกันกับคําว่าทุกขเวทนากับคําว่าสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์เนี่ยกินความกว้างมากกว่าทุกขเวทนาตรงไหนเจ้าค่ะตรงที่ว่าทุกขเวทนาเนี่ยเราเจ็บอย่างเดียวสมมติเราถูกมดกัดอันนี้เจ็บนี้เป็นทุกขเวทนาแน่ เจ็บที่กายใช่ใชมใช่ใช่เจ็บที่กายด้วยอยังแล้วก็อย่างสมมติเราเราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยอากาศร้อนๆมันก็เป็นทุกขเวทนาด้วยเราเข้ามาในห้องแอร์โอ้ยอากาศเย็นเฉียบเลยสบายอันนี้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยมีสภาวะทุกข์อยู่ด้วยอืเจ้าเพราะนั้นสภาวะทุกข์เนี่ยกินความกว้างมากกว่าทุกขเวทนา คือสภาวะทุกข์รวมสุขเวทนาเข้าไปด้วยรวมอุเบกขาด้วยรวมสมาธิด้วยรวมอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมีสภาวะทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะอะไรมันเป็นสภาวะทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่มันมีความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนั่นนหละมันคือสภาวะทุกข์อะไรบ้างอุเบกขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไงเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันไม่เกิดสุขเวทนาเปลี่ยนแปลงได้ไหม วันมาเช้ายังหิวข้าวอยู่เลยมันหายไปแล้วตอนนี้กินข้าวอิ่มมีสุขเวทนาเดี๋ยวตอนเย็นหิวอีกแล้วสุขเวทนาก็เปลี่ยนแปลงได้นี่แหละคือสภาวะทุกข์เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าที่พระเจ้าบอกสุขสุ ข, ส, ขสุขเนี่ยหมายถึงสภาวะที่เป็นสุขคือถ้าสภาวะทุกข์เนี่ยมันน้อยลงกุศลใจนี่น้อยจนกระทั่งแ ท, งทบจะไม่มีเลยเนี่ยนั่นแหะความสุขเนี่ยสภาวะสุขจะมากขึ้นอยอะตัวอย่างง่ายๆ เ, เราเราพูดถึง อ, อย่างสมมติไปเที่ยวต่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ย นะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนา่าว่าโอ้ต้องไปเที่ยวเล่นดูนั่นดูนี่ไปเล่นอะไรที่มันโรดผนมีความสนุกสนานอันนี้คือสุขเวญนาที่เกิดขึ้นอย่างสมมติคุณไป เ, เล่นไปไปสวนสาธารณะหรือว่าไปสวนสนุกอย่างเงี้ยขึ้นรถไปหอตีลังกาเลยนะขึ้นรถฝ่หอตีลังกาเนี่โอ้โหบอกมีความสุขมากมันหวือหวาดีนะอันนี้ก็เป็นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่บางคนบอกไม่หรอกนั่งรถไอรถชิงช้านี่แหละ เารียกอม้าหมุนน่ะช้าๆไปเรื่อยๆสบายๆอันนี้เป็นความสุขของเขาและเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ความหวือหวาตรงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากนะบางคนบอกเป็นความสุขไม่ใช่พระเจ้าบอกเป็นความทุกข์เป็นสภาวะทุกข์แต่แฝงไว้ด้วยสุขเวทนาแต่นั่งม้าหมุนนี่นั่งม้าหมุนนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากไปเรื่อยๆเป็นสภาวะที่แบ่งเป็นสุขมากกว่าทั้งทั้ที่สุขเวทนาไม่ค่อยมีเข้าใจไหมคุณตัวใจนึกออกเนาะ ค่อนข้างจะเหมือนกับจะฟังยากนิดนึงแต่แต่ถ้าเบื่อโยมจะจะพูดในฐานะที่เหมือนแทนทนักผู้ฟังนะเจ้าค่ะว่าเป็นภารวัตเนี่ยเข้าใจว่าสภาว ะ, ะสุขนะเจ้าคะก็คือจะเหมือนกับรวมสิ่งที่เราทําด้วยกายของเรานี่แหละแต่มันบวกด้วยอารมณ์ของเราว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือเป็นสุข ในการทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นไปนั่งม้าหมุนหรือว่าไปเล่นที่ว่าเป็นรถไฟตีลังกาอย่างนี้นะเจ้าคะซึ่งอันนั้นะคือความพอใจที่เกิดขึ้นในตัวเราแต่ว่าเนื่องจากว่าสิ่งพอใจเหล่านั้นอารมณ์ความพอใจเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคือไม่ได้เที่ยงอ่ะเจ้าคะ่ะคือเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นสภาวะสุขใช่ไหมเจ้าคะซึ่งมันก็คือเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเรายังมีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีสุขแบบนั้นอีกละ แต่ว่าบางทีมันก็มันก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ถูกไหมเจ้าค่ะอันนี้คือจะเป็นทุกข์แหละเดี๋ยเจ้าค่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดให้มันชัดเจนเนี่ยจะใช้คําว่านี้ดีกว่าใช้คําว่าทุกขเวทนากับใช้คําว่าสุขเวทนานะอันนี้เป็นเป็นก็เรียกว่ากับอีกคําหนึ่งที่เราต้องใช้คือสุขวิหารสุขวิหารนะสุขวิหารนี่คือเครื่องอยวนเป็นสุขเยกตัวใหญ่ตัวอย่างหนึ่งอย่างสมาธิอย่างเงี้สยสมาธิขั้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยมีปิติมีสุข แต่ป็นที่เราศึกษากันมามี <Okay. S 2> ปีติมีสุขนั่งสมาธิแล้วโอ้ยคนลุกตัวสัน่นดีใจมากเลยน้ําตาไหลอันนี้เป็นปีติเป็นสุขนะ <Okay. S 2> ทีนี้เราพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้สมาธิขั้นลึกซึ้งไปกว่านั้นก็มีนะอย่างเช่นขั้นนี้ชั้นสามหรือชั้นสี่อย่างเงี้ยอชั้นสี่เนี่ยไม่มีสุขแล้วนะไม่มีไม่มีมมมมแบบปลื้มใจน้ําตาไหลอิ่มเอิบไม่มีแล้วนะ <Okay. S 2> แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสภาวะที่เป็นสุขเป็นสุขเขาพิหารที่ยิ่งกว่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง ทั้งที่ฌานที่สิ่งในสองยังมีขนลุกมีน้ําตาไหลมีความอิ่มเอิบใจตื่นตันใจนะแต่ฌานสี่ไม่มีนะเอ๊แต่ทําไมเป็นสุขวิหารที่ดีกว่าฌานที่สองดีกว่ายังไงเจ้าคะเพราะว่าพระอาจารย์เมตตาชี้แจงเลยเจ้าค่ะเพราะว่าสุขเวทนานี่แหละที่มันเป็นตัวปัญหายิ่งถ้าถ้ามีสภาวะที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยิ่งน้อยเนี่ยสุขวิหารยิ่งมากไง อืเจ้าค่ะคือคือสงบอย่างแท้จริงใช่หใช่หลักการของพรุทธเจ้าเนี่ยิ่งน้อยยิ่งมีความสุขอะไรน้อยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยยิ่งมันน้อยๆอยนะเราจะยิ่งมีสภาวะสุขวิหารมากอืมเจ้าค่ะเพราะนั้นอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมากๆเปลี่ยนแปลงมากๆนี่ถึงแม้มันจะดีสุดเออเป็นสุขสุขวิธนาที่เลิศหรูอลังการก็ตามอันนั้นถือว่ายังเป็นยังเป็นทุกข์อยู่ยังไม่ใช่สุขวิหารที่แท้จริงอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นหลักการพระพุทธเจ้าคือมีน้อยยิ่งดี ถ้าคุณยึดว่าคุณจะสแสวงหามากๆมากๆเพื่อคุณจะได้มีสุขสุขมากเนี่ยแปสผิดคุณเข้าใจคําสอนพระเจ้าไม่ถูกแล้วค่ะค่ะสมัยก่อนอรหันนะคุณเดนใจตอนเด็ก <Okay. S 1> ๆไม่รู้เรื่องอะไรอายุสิบขวบแปดขวบสิบขวบเนี่ยดูหนังจีนนะ่ะเราเข้าใจว่าพระอาหารหันนี่ต้องแบบตัวเหลืองๆทองๆนะตั้งไข่คนสิบแดอาหารหันได้นะตั้มเป็นมัด ม, ดมดอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เลยนะพระเจ้าบัญญัติเกี่ยวกับคำว่าอาหารหันอย่างเงี้ยก็คือคนที่ไกลจากกิเลส ใ น, นกิเลสครอบงาจิตใจไม่ได้ซึ่งเราก็มารู้เ <c oughs> พิ่งมารู้ไปหลังว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองบางคนบัญญัติไม่เหมือนกับพระพุทเจ้าบัญญัตินะซึ่งทําให้การบัญญัติของคนนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องร้อยเเนะเพราะว่าเราเรามาศึกษาคําสอนของคนที่รู้จริงทั่วโลกธาตุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็การบัญญัติของคนที่รู้จริงตรงเนี้ยจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าอย่างเงี้ยนะโอเคอ่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ยังพูดถึงเรื่องของตันหาความอยากเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกว่า ทุกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในตัวเราคือ ส, สภาวะทุกข์เนี่ยนะ เ, เหตุที่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เน่เพราะว่าเรามีตัณหามันมีตัณหาเนี่ยมันถึงทําให้เรามีความที่จะต้องเจอสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหะคือสภาวะที่เป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีตัณหาคือจุดประสงค์ของคําสอนพระพุทธาเนี่ยคือแก้ในตัวเองแก้ที่ใจเราไม่ได้แก้ที่คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพยายามจะแก้คนอื่นนะอันนี้คุณผิดละ คุณทำไม่ถูกต้องทำคำสองปริชาเราต้องแก้ที่ตัวเองเนาะคืคอแก้ที่จิตเราเจ้าค่ะอทีนี้อ่โยมอยากขอถามตรงนี้ ด, ดหนึงนะเจ้าค่ะเพราะว่ามีอ่ารุ่นน้องที่ว่ารู้สึกว่าจะสภาวะจิตเหมือนกับอ่าคือได้เหมือนกับจากกันกับคนที่เคยรักกันนะเจ้าค่ะอ่าจากเป็นเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆฝูงก็จะเป็นห่วงอยู่ตรงที่ว่า น้องก็ยังทําใจไม่ได้เลยเจ้าค่ะยังทุกข์ทรมานร้องห h o ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อันนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเราเราจะใช้กลรอิธีไหนดีเจ้าค่ะที่จะชักชวนให้ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องต้องทอําใจยังไงเพราะบอกให้อยู่ที่ใจเราแต่ว่าเขาก็ยังทําไม่ได้เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เมตตาชีท้ทางสวรรค์ให้หน่อยเลยเจ้าค่ะอย่างถ้าพูดถึงกรณีที่เราเจออย่างเงี้ยเราเจอ ประสบกับสิ่งที่มากระทบที่ไม่น่าพอใจเลยนะอยสมมุติ ค, คนที่เรารักมากๆเนี่ยตายนะญาติตายพ่อตายแม่ตายลูกตายอย่างนี้นะแล้วมันมันดึงกลับไม่ได้มันเป็นสิ่งที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเขาจะตายผ่านตายพรุ่งเราก็ไม่รู้ทีนี้เราสมมุติเออเธอต้องทําใจนะเธอต้องอยู่กับลหมหายใจนะไปปฏิบททัติทําเถอะคุณเตือนใจเราพูดได้เฉยหรอกคือคนที่เจอสถานการณ์อยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปทําได้ยังไงโอาแค่ว่าให้เขามามีสติในลมหายใจเนี่ยยังยากเลย นึกออกไหมแทนที่เราหรือทีจะบอกว่าเธ อ, อทําใจนะมันก็เป็นธรรมดามันพูดด้ใดเฉยแต่จริงๆเนี่ยทำยากเพรฉะั้นคนที่เจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะไปบอกให้เธอต้องทําใจเธอต้องคิดแต่เรื่องบวกนะโอ้ยมันมั น, มนยากแต <Okay. S 2> ถ้าเราไม่โดนเองจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอก อ, อย่างสมมุติคนเงินหายอย่างเงี้ยโหเงิน 3- าสี่ล้านเราเก็บมาทั้งชีวิตหรือว่าเงินบํานาญเพิ่งออกบําเหน็จเพิ่งออกชันจบมาหายอย่างเงี้ยถูกขโมยขึ้นบ้าน โอ้โห ม, มันกระเทือนใจมากนะเอะ่บอกให้ไปวัดปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีทางดังได้เลยหลับตาแค่หลับตากระน้ําตาไหลแล้วอืะะคเอเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขายังไงคือสภาวะจิตตรงเนี้ยพุทธเจ้าเคยพูดถึงไอ้ความโศกที่มันอยู่ในจิตเราเนี่ยเป็นพิษของลูกศรที่มาแทงแลสมมติเราถูกลูกศรแทงลูกศรอาบยาพิษด้วยแต่นะลูกศรที่มันแทงเราเนี่ยคือตันหาตันหาแทงแล้วมันพ่นพิษออกมาคือความโศกที่อยู่ในกายเรา นะพิษเนี่ยมันจะคอยที่จะกัดกินกร่อนใจเราให้มันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปดังนั้นเราถูกพิษของตันหาเสียแทงแล้วมีผู้าบอกนะทํำไงก่อนถ้าคุณเื่นใจเคยดูหนังสายลับอะ่ะหนังสายลับน <Okay. S 1> ี่เขาจะพอเขาโดนพิษนะ่ะอย่างเจมส์บอลอย่างเงี้ยนะเขาถูกยาพิษเนี่ยเขาจะต้องรีบไปแก้ไอตัวกินไอพวกอย่างเกลือนะ่ะที่จะทำให้พิษเนี่ยมันคลายลงไปหรือยังน้อยให้มันใมอให้มันแล่นให้มันแล่นไปสู่หัวใจน้อยลงคือชะลออาการของพิษนั้นก่อน แล้วเอา <Okay. S 1> รีบเอายาที่มาเป็นตัวตรงกันข้ามนะกับพิษนั้นอย่างเงี้ยอย่างในกรณีของเซรั่มใช่ไหมเพื่อที่จะมาแก้พิษตัวนั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกของเร า, เาก่อนเนี่ยเราต้องคลายความโศกที่อยู่ในจิตของเราเพราะว่าถ้าเราไม่คลายเนี่ยนะโอ้โหใครพูดอะไรกับเรายัางไงมันจะเป็นเรื่องที่แบบตัดสินใจผิดทําไอ้นี่ผิดมิดอะไรต่างๆก็แตกกระจายไปเพราะเราพูดไม่ดีอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เพราะเราต้องคลายความโศกตรงนี้ให้ได้ก่อนนั่นะคือคลายพิษตรงนี้ให้ได้ก่อนแตนะ่พระเจ้าก็เลย เราพูดถึงสิ่งที่การคิดในเรื่องดีๆนะเราคิดเรื่องที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเรื่องชีวิตฐาตานที่เรายังดีมาสมมติคุณยังมี เ, เสื้อผ้าใสายอย่างเงี้ยโอ๊ยเด็กในแอฟริกานี่ก็ไม่มีเสื้อผ้าใสานะเดินท้องๆ้งนะคนในอินเดียบางคนก็ไม่มีนะเราตื่นเช้ามาเรายังมีข้าวกินเด็กในแอฟริกานี่กินข้าวสัปดาห์ละสองมือ้อนะเราถ้าเราพูดถึงเรื่องที่ว่าเอออย่างน้อยเรายังมีปัจจัยสีที่พอจะกุ้มหัวได้บ้างอย่างเช่นว่าเราเข้าไปในบ้านก็ยังมีบ้านนอนนะไม่ตาก คนจนในโลกบางหลายคนเป็นล้านๆคนในโลกนี้นะไม่มีที่จะสุกหัวนอนด้วยซ้ําต้องไปตอนนอนใต้ตามสบานลอยเมืองไทยเราก็ยังมีเลยเรายังมีบ้านทําไมเราจะไม่โชคดีเราคิด<ม>ถึงเรื่องเนี้ที่ทําให้จิตเราอย่างน้อยคลาย ค, ายความโศกได้บ้างนะอย่างสมมติมีเพื่อนอย่างเงี้ยแ้ายังมีเพื่อนคุยนะบางคนเพื่อนก็ตายหมดนะอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเพื่อนก็ตายผัวก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายตายหมดทุกคนไม่รู้จะไปพึ่งใครเลยก็มีนะหรือว่าอะไรสมมติเราอ่า เราป่วยเงี้ยเรายัางไปหาหมอมีหมอมารักษาให้โอ้ยบางประเทศเนี่ยนะป่วยนิดนิดหน่อยก็ตายแล้วนะ oh, <ick> ประเทศที่แบบสาธารณสุขไม่ดีออย่างเมืองไทยยังมีศูนย์บาทรักษาที่ทุ่โรคสามสิบาทรักษาทุกโรคก็ยังมีเรายังดีกว่าตั้งหลายคนตั้งเยอะนะคิดตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ใจอย่างน้อยให้จิตของเราเนี่ยคลายความตุบไปได้บ้างนะคือคือเอาเอาพิษเนี่ยมันให้มันชะลอได้บ้างทีนี้จะเอายาถอนพิษมาใส่เนี่ยผู้เชาก็เปรียบเทียบกับต้องเอาปัญญา นำมาเป็นเครื่องถอนอพิษตรงนี้ปัญญาตรงนี้ก็คือการเห็นว่าไอ้สิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยมันไม่เที่ยงโอ๊ยแต่คุณจะือนใจมันพูดได้เฉยหรอกเวลาโดนจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นหรอกนะว่าอะไรเที่ยงไม่เที่ยงอ่ะทุก<จ>อย่างมันเหมือนแบบเป็นสิ่งถาวรความทุกข์มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยโอ้โหมันกระเทือนจิตเรามากเลยมันมันอยู่ตลอดเวลาไหนะอยู่เฉยพอไม่ได้พูดกับใครเดี๋ยวก็ร้องไห้บางคนเป็นยังไงนะน้องคนนี้ร้องไห้ทุกวันเลยเจ้าค่ะร้องไห้วันหนึ่งแล้วหลายๆเที่ยวด้วยอเพราะฉะนั้น เพราะนั้นเราจะพูดว่าเอ้ยคุณต้องเห็นว่าไม่เที่ยงโถเอ้ยเขาไม่มีสมาธิเขาจะไปเห็นได้ไงคนคที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตต้องมีสมาธิแต่จิตถูกความโศกพิษคือความโศกกัดกร่อนจิตอยู่จิตไม่มีทางเห็นความไม่เที่ยงได้ไม่มีทางนะเพราะนั้นกระหนแรกคือเขาต้องคลายความโศกตรงนี้ให้ได้เสียก่อนนะแล้วถึงจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ถึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าสิ่ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ว่าเทวดาเทพมารพรหมหรือไกลในโลกไม่อาจจะได้ นะคือขอให้ของสิ่งที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลยขอให้ของสิ่งที่ต้องมีความชิบหายอย่าชิบหายไปเลยขอที่ของมีความตายมีความสิ้นไปมีความจางกลายไปถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางได้นะเทวดามนุษย์อสูรเทพมารพรมหรือใครๆในโลกนะไม่อาจจะได้นะแต่คุณจะไม่เห็นนะถ้าจิตคุณยังมีความโศกอยู่เข้าใจเนาะถ้าจิตคุณไม่มีสมาธิคุณจะไม่เห็นตรงนี้ เพรเราต้องให้เขาถอนพิษตรงนี้ให้ได้ก่อนหรือชะลอพิษตรงนี้ให้ได้ก่อนโดยการที่คิดถึงเรื่องที่อย่างน้อยในชีวิตเขายังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างอืมเจ้าค่ะอันนี้เป็นสองขั 2> 2้นตอนนะอเจ้าค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยน้องคนนี้นี่ก็ควรจะต้องรู้จักถอนพิษด้วยตัวเองก่อนถูกไหมเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าไม่ถอนเนี่ยมันก็ยังจะฝังอยู่ดีไม่ดีดก็อาจจะเสียสติไปหรืออะไรอย่างนั้นชใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องเป็นห่วงเนี่ยเจ้าค่ะใช่ใช่ เจเพราะฉะนั้นคือเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกกับเรื่องของความทุกข์ไง ค, คือบางคนเนี่ยก็จะไปเที่ยววิงบอลขอบอลอ่าบนบานศาลกล่าวเทวดานะขอให้ฟื้นขอให้หายขอให้กลับมาขอให้เจอโอ้ยมันเทวดาที่เราไปขอเขาก็ไม่ได้จะบอให้พร ะ, ะสงฆ์ที่เราไปอ้อนบอลพระพุทธรูปรอ่ะเขาก็ไม่ได้เนื่นองากแม่แผ่นดินไว้พระพุทธรูปก็ตกตกไปเลเหว<ม>ก็ก็ตายเหมือน ก, ก็คือแตกดับไปหักเหมือนกันนะหรือว่าน้ําท่วมก็ถูกท่วมเหมือนกันอย่างเงี้ย เขาจะรู้ว่าถูทั่วเหมือนกันภาพเราก็เห็นอยู่ทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องทาความเข้าใจให้ถูกเนี่ยถ้าคุณยังทําความเข้าใจไม่ถูกนะเราเราก็จะเป็นลักษณะว่าเม า, าศาสนาคุณตือนใจเจ้ค่ะเหมือนคณคนต้องการบุญอย่างเงี้ยทำบุญมากๆเ ม, มาบุญมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าเอ๊ะทำไมเรานับถือาศาสนาเราปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าทําไมเรายิ่งทุกข์หนักมากขึ้นนกิเลสมากขึ้นตัณหามากขึ้น เอ๊ะปฏิบัติแล้มันต้องเบาลงมันสบายโลสบายขึ้นนะต้องมีความหนักน้อยลงเอ๊ะทาไมเรามันมันเป็นทางตรงกันข้ามอือใช่ค่ะซึ่งซึ่งจะเข้าข่ายของพวกเมาล้วอย่างคนเมาคุณตืนใจเขาเฮชนแก้วกันเนี่ยเขาชูแก้วชูเหล้าแต่เหล้าเนี่ยทําให้เขายิ่งเสื่อมลงเขาไม่รู้ตัวในคนชูศาสนาคนเขียนไม่ในแบบประชาชนเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีปล่าสนับสืบศาสนาพุทธแล้วแต่เอ๊ะทำไมกิเลสเรายังหนาขึ้นนะอกิเลสไปอวดกันที่วัด นะเอ่อพ่อพูดมากขึ้นครอบครัวไม่มีความสุขไอ้ ه, ทาไมเป็นอย่างนั้นทะ <entre> เลาะกันในบ้านเอา้าทําไมเป็นอย่างนั้น<อ>ก็เม า, เาไ ง, งไมเางมาเมาอืมอันนี้เป็นว่าแสดงว่าเข้าใจศาสนาผิดถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใไปทําบุญ <c oughs> หรือว่าอะไรเนี่ยปฏิบัติในทางที่ผิดเพราะว่าจะยิ่งมีทุกข์เพราะว่าบางทีอยากจะ ไปแข่งขันกับเขาทาบุญให้เยอะๆให้ได้มีหน้ามีตาอย่างเนี้เจ้าค่ะนั่นแนหะผิดเลยปรากฏว่าทําทําไม่ได้ก็ยิ่งเป็นทุกข์ไปใหญ่เลยใช่อย่างนั้นแสดงว่าต้องให้รู้ตัวว่ามาในทางที่ผิดละไปในทางที่ว่าเขาสอนเราผิดแล้วถูกไหมเจ้าคะ่ะใช่เจ้าค่ะทีนี้ในในเรื่องนี้เราก็ต้องทำข้อความเข้าใจว่าหลักการบุรุษเจ้าเนี่ยคือยิ่งมีน้อยยิ่งดีเจ้ค่ะนะอะไรน้อยต้องเข้าใจนะคือกิเลสต้องน้อยลงตัณหาต้องน้อยลง เพราะนั้นถ้าเราทําอะไรแล้วกิเลสมากขึ้นตัณหามากขึ้นในงานผิดทีนี้อย่างสมมติอะไรที่อย่างบุญอย่างเงี้ยเองั้นเราต้องบอกงั้นทําบุญให้มากๆบุญคืออะไรศรัทธาก็เป็นบุญนะอสมาธิก็เป็นบุญนะศีลก็เป็นบุญนะหีริโอตปาเป็นบุญนะปัญญาเป็นบุญนะการให้ทานเป็นบุญนะบุญตรงนี้มากแล้วเราต้องทําไงเราต้องเข้าใจว่าไอ้บุญมันก็ไม่เที่ยงนะบุญมันก็ลดไปได้นะบุญลดไปได้นะอย่างสมมติเทวดาไปตกนรกก็มีนะ อคุณไม่เพลินเพลิดเพลินในความสุขความรุ่มหลงมัวเมาลืมสร้างบุญพลอยเลยนะชีวิตเป็นทุกข์มันจะแก้แล้ก็ยากแล้วนะจะไม่ทันแล้วนะอย่าง ค, คนบางคนเนี่ยคุณตื่นใจเยมีความสุขในชีวิตแล้วก็หลงละเริงลืมเพลิดเพลินไปไม่สร้างบุญให้ตัวเองต่ อ, อยังเจอพอเจอเหตุการณ์ในชีวิตกระทบกระทึงขึ้นมาโอ้โหรับไม่ไหวแต่บางคนมีเงินเป็นหลายๆร้อยร้านพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจพุ่มไม่เหลืออะไรแถมเป็นหนี้คูณสองอย่างนี้ก็เป็นทุกข์กระโดดตึกตายก็มี แตซึ่งซึ่งทําให้เขาเขาต้องเข้าใจว่าเอ้ยตอนที่เรากําลังดีๆอยู่เนี่ยแหละเป็นการเตรียมตัวอย่างดีเลยในการที่เราจะเตรียมตัวต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่จะเกิดขึ้นอืมเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีความไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถูกต้องเจ้าค่ะเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอืคนเมาคือคนประมาทไงเจ้าค่ะ ก็คือสิ่งที่พระอาจารย์พบูลนพิบุโนโดได้เมตตาที่จะสากกฐามาในเช้าวันอาทิตย์นี้ซึ่งเหลือเวลาอยู่เล็กน้อยนะเจ้าคะประมาณสามสินาทีนั้นเนี่ยโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ได้สรุปเฉพาะวันนี้นะเจ้าคะแล้วคิดว่าเสาอาทิตย์หน้าเราน่าจะคุยกันต่อเรื่องนี้นะเจ้าคะจะได้ทราบกระจ่างกันแล้วก็ทําให้พุทธศาสนิกชนของเราหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยได้หันมาเห็นในสิ่งที่ อ, องค์พระสามณาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหรือว่าทรงสั่งสอนไว้จริงๆไม่ใช่ว่าไปหลงในทางที่มันผิดแปลกแยกออกไปแล้วก็ทําให้เป็นทุกข์มากขึ้นนะเจ้าค่ะนิมนเจ้าค่ะก็จะสรุปในครั้งนี้ก่อนนะถึงเรียกว่าคําสอนพระพุทเจ้าที่ถูกต้องเนี่ยนะคืออันดับหนึ่งะเป็นไปเพื่อความสงบระงับนะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมอันนี้คือข้อที่1เลยนะถ้าการกระทําของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบระงับนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมอันนี้คุณก็มาถูกทาง แต่ถ้าเป็นไปเพื่อความหลงมัวเมาเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนพวกนี้ไม่ใช่ละอันที่2เนี่ยคำสองพระเจ้าเนี่ยเป็ น, ปนไปเพื่อความมักน้อยสันโดษถ้าอะไรที่มันเลิล่นหรูฟู่ฟ้าออลังการอันนี้ต้องดูแล้วว่าจิตเราเป็นยังไงอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องจิตนะพูดถึงเรื่องจิตนะบางทีอย่างบางคนมาถวายของพระเจ้าอย่างเงี้ยโอ้โก็เลืล่หรูอลังการฟู่ฟ่าเหมือนกันแต่จิตเขามีศรัทธา ม, มากมีความตระนาณีน้อยอันนี้ก็คือถูกต้องตามธรรมอยู่แต่เราต้องดูในจิตข อ, องเรา นะแล้วอันที่สามคำสองพระเจ้าเนี่ยคือเป็นไปภายในนะแก้ที่จิตของตัวเราเองอย่าไปด่าคนอื่นแล้วถ้าคุณด่าคนอื่นนี่คุณผิดละไม่ใช่คําสอนพระเจ้าละแต่เป็นแก้ที่ภายในของตัวเองนะแล้วอันที่4คําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับนะสงบระ ง, งับในที่นี้คือหมายความว่าไม่ได้เพื่อที่จะเพิ่มพูนพอกพูนนะแต่เป็นไปเพื่อความที่จะขุดกราวกิเลสออกจากจิตของเรา นะลักษณะนี้ถ้าเราเข้าใจคำสองพระเจ้านะในสี่ลักษณะนีนะ้แล้วก็ปฏิบัติตามอรรยามากมีอง 8, นะคือเรามาถูกทางละ่ะคุณจะใ จ, จแล้วในกรณีอย่างเงี้ยมันจะมีเครื่องที่จะมาหลอกลวงล่อลวงเราให้ไปผิดผิ ด, ผ ด, ผดต่า ง, า ง, างๆนานาบากมาแนะ่นอนนะเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนั้นหาทางออกให้ถูกนะอย่าไปทะเลาะ ก, กับใครอย่าไปหาเรื่องใครนะจะอธิษฐานอ้อนวอนขอพร อ, อะไรก็ให้มันถูกต้องตามธรรม นะอธิษฐานก็อธิษฐานสร้างเหตุขอพรก็ขอพรในสิ่งที่เป็นตามมักอย่างนี้นะเครื่องรางของของัขงวัตถุมงคลบริเจ้าก็ให้มาแล้วสามิสองอย่างานะการหมอ ด, ดูการพยากรณ์อะไรต่างๆก็พยากรณ์ตามหลักของกรรมตามหลักของธรรมนะเรื่องความขาเข้าใจปัญหาเหตุเกิดทุกของทุกนี่ก็เข้าใจให้ถูกต้องอย่างนี้ก็จะเขาเรียกว่าสบายใจละค่ะก็จะทําให้ชีวิตเบาสบายแล้วก็ มาในทางที่ถูกที่ควรตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งสอนไว้หรือว่าชี้แนวทางไว้ใช่ไ้ยเจ้าคะถูกต้องก็คือละให้เบาที่สุดแล้วก็ความสุขสูงสุดของเราก็คือการไปถึงนิพพานก็คือไม่ได้ยึดถืออะไรอีกเลยจะว่างเปล่าอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าคะนั่นคือความสุขสูงสุดใช่ถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมาราปรรุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่5ซึ่งเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนพุทธศักราช 2,55 ในวันนี้หมดลงแล้วค่ะเราคงจะต้องกลับมาพบ ก, กันใหม่นะคะสำหรับในช่วงของการสากระชา้าหรือสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุตอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งดิฉันจะมาทำหน้าที่ได้ซักถามพระอาจารย์แทนท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะกลับมาพบกันใหม่ในเสราร์อาทิตย์หน้านะคะแต่สําหรับรายการธรรมาราปุรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเราก็ได้รับความเมตตายอย่างยิ่งจากท่านพระอาจารย์ภพยบุญพิพุโ น, โนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเล้นตามพุทธวจนะขอ ง, ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยรับนิมนต์ที่จะมา บญญรรยายทำแล้วก็เสนอข้อคิดดีๆนําพุทธวจนะสิ่งที่เป็นพระธรรมคําสอนอันแท้จริงของพระพุทธองค์ได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกเช้าตั้งแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีนะคะในรายการธรรมาราปรุลนี้ค่ะก็ขอเชิญท่านรับฟังกันนะคะส่วนเรื่องของการสักการะนั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งก็จะเป็นวันฉันตรมงคลที่5และก็ที่6 พฤษภาคมค่ะสําหรับเช้าวันอาทิตย์นี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนและประเดษพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิศพลาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหสโกตําบุญดอนไหสโกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีพร้อมกันนะค ะ, ะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจาริญเจ้าค่ะเตือนบาลสาธุเจ้าค่ะ